พรยังตรงกลางกลางห้องอยังไม่พร้อมอยากพร้อมเร็วๆนะหายใจใจเข้าพูดใจออกโทรอย่าไปบังคับลมหายใจนะวันๆต้มีเครื่องอยู่ของจิ ต, ตเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตจิตจะหนีไปเที่ยว อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอะไรก็เอาเอาที่ถนัดอย่างพุโทโธมันเป็นตัวความคิดเป็นสิ่งที่เราคิดเอาไปทำในศาสนาตรงๆไม่ได้ไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นมามธรรมตัวพุโทโธเนี่ยเป็นความคิดเหมือนฝันลอยๆแต่เป็นความฝันที่เราจงใจฝันจงใจคิด เวลาเราเผลอขาดสติมันจะเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นมันจะไม่คิดพุทโธมันก็จะสังเกตได้ง่ายว่าเอาลืมพุทโธไปแล้วทีแรกอาจจะโมโหตัวเองทำไมมันลืมบ่อยก็ทนทนดูไปโม่อย่าไปโมโหลืมตัวเองก็ไม่เป็นไร่อยรู้สึกอใหม่ต่อไปพอจิตมันชำนาญขึ้น มันเปลี่ยนเรื่องไปคิดเรื่องอื่นแทนพุโทโธนะสติก็เกิดเลยลึกขึ้นได้ระลึกได้ว่าลืมพุโทโธไปละหลงไปแล้วหลงไปคิดเรื่องอื่นเวลาหลงส่วนใหญ่ของเราคือหลงคิดรองลงไปก็หลงดูรองลงไปก็หลงฟังส่วนหลงไปดมกลิ่นดิ้มรสรู้สมัมผัสทางกา ย, ยมีไม่มาก หลงที่มากที่สุดคือหลงคิดนี่ละมาหาพุโทโธพอมันลืมพุโทโธมันไปคิดเรื่องอื่นเราจําได้แนละ้วต่อไปพอมันไปคิดเรื่องอื่นเรารู้คิดเรื่องอื่นเรารู้เราจะรู้จักสภาวะที่มันหลงไปคิดพอเราจําสภาวะที่หลงคิดได้แนละ้วพอจิตหลงคิดปุ๊บสติจะเกิดเอง สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นในสภาวะที่เราจะเรียนรู้คือสภาวะหลงคิดจะเรียนง่ายก็คิดอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อนไม่ชอบพุทโธคิดคำอื่นก็ได้ตั้งใจคิดไหมคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงความสงบคิดถึงความเมตตาคิดถึงลมหายใจ คิดถึงร่างกายตัวเองแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมวนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกวันวันก็ไม่ทำอะไรคิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะจิตไล่ดูไปทีละส่วนทีละส่วนอะไรก็ได้ทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งนะไปคิดคิดพุดโทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดทำโมสังโค คิดถึงทานคิดถึงศีลเราจงใจคิดไหมพอจงใจคิดแล้วพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันพอรู้บ่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะที่หลงไปคิดได้หลงไปคิดกับเจตนาคิดไม่เหมือนกันแยกได้ไหมตรงนี้ระหว่างหลงคิดกับเจตนาคิดเจตนาคิดอย่างเราคิดเรื่องงานนี่เจตนาคิด แล้วก็ระหว่างที่ทำงานเจตนาคิดเรื่องงานเนี้ยมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นใจมันหนีแวบบแแบบไปหัดรู้แต่ตอนทำงานจะไปหัดรู้ลำบากเราก็แบ่งเวลาไว้ทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งคิดอะไรก็ได้หลวงพ่อแนะนำสำหรับพวกเราคือทำกรรมฐานที่ใช้การคิดเอาคืออนุสติสิบข้อ อนุสตินะตามระลึกตามชิดตามนึกไปพิจารณาไปเรื่อยแล้วพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นก็ให้รู้ไม่ห้ามนะคิดได้ว่ามันคิดก็รู้อ้อหลงไปคิดแล้วนี่ไม่ว่ามันเราก็กลับมาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่อะไรของเรานี้ต่อไปอยู่กรรมาฐานของเราไปกรรมาฐานอย่างอานาปนาสติก็เล่นยากนะ เล่ยมันพลิกแปลงมากอย่างใช้การคิดเอาพุโทโธเอาอะไรเงี้ยง่ายกว่าไม่มีอะไรพลิกแปลงไม่มีอะไรซับซ้อนซื่อๆไม่คิดพุดโทโธก็คิดเรื่องอื่นก็มีอยู่เท่านี้เองส่วนอย่างานาปนปัญสตินะ่ยลูกเล่นมันเยอะมันทำไปทางฌานก็ได้ไปทางอาภิญญาก็ได้นะ จเจริญปัญญาก็ได้ทำสมถะก็ได้อยู่ในอนัปนัสติทำได้สารพัดได้ทำความสงบก็ได้จเจริญปัญญาก็ได้จเจริญปัญญาในฌานก็ได้จเจริญปัญญาในอุปจาระก็ได้จจเจริญปัญญาในขณิกาก็ได้เล่นเป็นกระสินกระสินธาตุเขาทำได้เล่นไปทางอภิญญาก็าต่อไปจากกสิน งั้นเล่นยากนิดหนึ่งลูกเล่นมันเยอะหน้าตาพวกเราลาบากเดี๋ยวเพียนอยู่ห่างครูบาอาจารย์งั้นอย่างเราพุโทโธพุทโธไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวพุโทโธไปเรื่อยๆพอพุโทโธไปแล้วอย่างเราไปในที่ที่น่ากลัวเรากลัวผีเงี้ยกลัวผีจะไปบริกรรมว่ากลัวหนอกลัวหนอก็กลัวละวะ อพุทโธพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าหาผู้ช่วยพุทโธพุทโธไปพอใจแน่วแน่อยู่กับพุทโธเราก็รู้ใจหนีวิคิดเรื่องผีเราก็รู้เนี่ยใจใจมันหนีมันหลงคิดหดพุทโธเพื่อให้รู้จักหลงคิดหาพุทโธเพื่อจะได้รู้จักหลงคิด พอรู้ว่าจิตหลงคิดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้ว่าจิตมันหลงคิดจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นอันตโนมัติเพราะจิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตที่หลงคิดนะพอมันไม่หลงคิดซะอย่างเดียวมันก็เป็นจิตผู้รู้ขึ้นมางั้นต้องทําเหมือนกันนะเอาไว้มีประโยชน์หลายอย่าง อย่างเราพุโทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยนะแนะนําพุโทโธเป็นหลักไว้ถ้าใครชอบหายใจก็หายใจไม่ว่ากันหลูงพ่อใช้หายใจของพ่อไม่ได้ใช้พุโทโธมันรู้สึกมันน้อยไปไม่ถูกใหญตอนไหนใจเราฟุ้งซ่านเราก็มาอยู่กับพุโทโธได้ความสงบเป็นสมถะเป็นสมถะไม่คิดเรื่องอื่นคิดแต่พุโทโธได้สมถะ ฝึกไปเรื่อยๆเราค่อยๆดูเวลาใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นใจจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นอย่างเราพุโทโธแล้วสงบอยู่กับพุโทโธเนี่ยเราได้สมาธิชนิดสงบสบายเอาไว้พักผ่อนเวลาเหนื่อยๆเอาไว้พักผ่อนแล้วเวลาอยากพัฒนาต่อไปพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นคือสมาธิชนิดที่จิตไม่หนีไป โดยที่ไม่ได้บังคับมันรู้ตัวมันตื่นขึ้นมาเองเพราะว่าตอนที่มันหนีไปคิดนะี่มันเหมือนเราหลุดไปอยู่ในโลกของความฝันทันทีที่เรารู้ว่าฝันเราก็จะตื่นมาอยู่ในโลกของความตื่นนั้นพุโทโธพุโทโธเราเพิ่งหนีไปคิดรู้รู้ทันตรงนีไปคิดนะทีแรกนานๆจะรู้ทีหลงพปยาวเลยหลงเว้นชั่วโมงเลยเพิ่งนึกได้อ้าวลืมพุโทโธไปชั่วโมงนึง ต่อไปลืมไปครึ่งชั่วโมงก็รู้ต่อไปลืมไปสิบนาทีก็รู้พอชํานาญขึ้นลืมไปนานทีหนึ่งก็รู้ไม่หลงนานต่อไปพอใจไหลไปคิดปุ๊บทิ้งพุโทโธไปปุ๊บรู้ปั๊บเลยตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปตรงนั้นจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ไหลจะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติ จิตผู้รู้ที่เกิดโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นจิตผู้รู้ที่ดีมีความเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นจิตผู้รู้ที่ดีแต่บางคนไม่ทำจงใจทำจิตผู้รู้ขึ้นมาพยายามจะรู้สึกอย่างนี้นี่ทำด้วยความโลภทำด้วยความโลภจิตจะแน่นแ่นหนักนักแน่นแน่นแข็งแข็ง ซึมซึมทื่อๆงั้นถ้านั่งภาวนาแล้วจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อผิดแล้วละ่ะทำผิดละบังคับจิตมากไปงั้นจิตหลงแล้วรู้พอแล้วไม่ใช่ห้ามหลงถ้าห้ามหลงลว่าจิตจะแน่นงั้นเราจะต้องมีจิตผู้รู้ซึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่จิตผู้รู้ที่เราเจตนาจงใจให้เกิดจิตผู้รู้ที่จงใจให้เกิดไม่ใช่ผู้รู้ชั้นดี เป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนดีกว่าจิตผู้หลงหน่อยเดียวเจอจิตที่เป็นกุศลที่มีกำลังไม่มากมีชื่อยาวๆนะมีศัพท์ยาวๆนะ ส, สำหรับเรียกจิตชนิดนี้ก็คือเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตมีโสมนัสหรือมีอุเบกขาเวทนาแต่ว่าเกิดโดยจงใจให้เกิด เรียกว่าสั ง, สงขาธิ ก, กังเป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนอย่งจงใจรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้รู้ที่เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนแต่ถ้าเป็นผู้รู้ที่เกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดอันนี้จะเป็นกุศลที่มีกําลังกล้าเรียกว่ามหากุศลจิตญาณสัมปยุทธ์ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยญาณสามารถตามรู้ตามเห็นสภาวะได้ มหากุสลจิต ญ, ญาณสัมปยุตมีความสุขบ้างเป็นอุเบกขาบ้างมีสองชนิดเกิดโดยไม่ได้จงใจให้เกิดนั้นอย่างเวลาที่เราพุทโธพุทโธอยู่จิตมันหนีไปคิดเรารู้ว่าจิตหนีไปคิดตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้จงใจให้เกิดจะเป็นตัวผู้รู้ชั้นดีกุศลเนี้ยถ้าเราต้องบิวให้เกิด เป็นกุศลที่มีกําลังอ่อนนะกุศลที่เราไม่ได้บิ้วให้เกิดนะเป็นกุศลที่เกิดขึ้นมาอัตโนมัติเนี่ยเป็นกุศลที่มีกําลังแรงเหมือนบาปก็เหมือนกันอกุศลที่ต้องบิวตั้งนานเนะีอย่างถูกด่าทั้งหลายวันนะถึงจะโกรธอากุศลตัว น, นี้มีกําลังอ่อนแต่ว่าเขายังไม่ทันจะด่าเลยเห็นหน้าปุ๊บโกรธปั๊บเลยนี้อกุศลอย่างนี้มีกําลังกล้าไม่ต้องบิ้ว กุศลก็เหมือนกันถ้ากุศลต้องบิวนะมีกำลังอ่อนต้อ ง, นะ ง, อองเฉียร้องอะไรเงี้ยอย่างเพื่อนเราเขาจะไปทําบุญเขาก็บอกว่าเนี่ยดจะไปทําบุญนะจะฝากเงินไปทําหรือเปล่าเราฟังแล้วเฮงเสียงเลยจะมาเรียอะไรอีกละไม่อยากทําเขาบอกทําแล้วดีนะทําแล้วอย่างโน้นอย่างนี้โฆษณาชนเชื่อแบบที่นักทําบุญเขาชอบอ่ะ ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์บอกกูตกนระกตั้งแต่มึงถ่ยนี่แหละนะเม่ท่านจะขึ้นสวรรค์ชาติหน้าหรอกนะเนี่ยงดหงิดอย่างเงี้ยนานเลยนะเอาทําไปเนี่ยเป็นบุญที่มีกําลังอ่อนมากเลยนะแทบจะไม่เป็นบุญแล้วนะไม่ได้ต้องบิ้วมากนะกาลังของกุศลมันก็ลดลงในทํานองเดียวกันนะ่ะเวลาชั่วนะถ้าต้องบิ้วมาก กำลังของอกุศลมันก็อ่อนถ้าไม่ต้องบิวนะฟุบขึ้นมาเนี้ยกําลังแรงทั้งกุศลทั้งอกุศลอย่างพวกเราสังเกตไหมบางวันเราต้องบิวตัวเองให้ภาวนาวันนั้นจิตเป็นผุศลที่มีกําลังอ่อนอเหนื่อยเหลือเกินเอาไว้พรุ่งนี้ดีไหมแค่จะไหว้พระนะบางคนแค่จะไหว้พระอ้เหนื่อยวันนี้ ะไปเที่ยวผับมานานนะหมดแรงและเมาเหล้าไปด้วยอย่างจะหลวงพ่ อ, อยังจะให้สวดมนต์อีกะให้นั่งสมาธิะสวดก็สวดเดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าลุกขึ้นมานิดหน่อยพผงะหัวขึ้นมาจากหมอนเหมือนเมื่อคืนครับหือหลวงพ่อเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้นจะยันมันให้ตกเตียงเลยใครเคยทําบ้างเหมือนเมื่อวานเนี้ยเหมือนเมื่อคืนเนี้ยะ อย่างเนี้ยอ่อนมากกำลังอ่อนมากนะแทบจะหาเศษของกุศลไม่เจอเลยแต่ถ้าแมมใจมันทึกเขิมนะมได้เวลาแล้วต้องไปภาวนา<ม>อัานนี้กุศลมันแดงงี้เราฝึกนะฝึกทุกวันทุกวันไปเรื่อยจชืรทังเรามีตัวผู้รู้ที่เข้มแข็ง ที่เราหัดพูดโธหัดหายใจหัดทำกรรมฐานอะไรเนี่ยเพื่อจะให้ได้จิตผู้รู้เราจะได้เอาจิตผู้รู้นี่แหละไปเจริญปัญญาถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เราเจริญปัญญาไม่ได้ในปริยัตนะทางปริยัตนะิเขาพูดถึงการเจริญปัญญาด้วยญาณสนะิบหโสรยานญาณ16เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยชื่อนามรูปปริเฉทยานแยกรูปนาม คนก็มากง่ายนะก็คิดเอาเองว่าวิธีแยกรูปนามก็คือเช่นดูท้องพองดูท้องยุบไปนะี่อย่างเนี้ยแยกแล้วมันไม่แยกหรอกหรือบางคนก็คิดว่าแยกนามแยกขึ้นมานามเช่นเห็นท้องพองท้องยุบมีนามมารมคือมีความสุขเห็นท้องพองท้องยุบมีนามธรทำคือมีความทุกข์อันนี้เรียกแยกรูปแยกนาม ไม่เรียกจริงหรอกถ้าภาวนาจะรู้ว่าแยกรูปแยกนามจะทำได้เนี่ยตัวหนึ่งที่จะต้องมีเสมอในการแยกขันธ์ทั้งหลายคือตัวจิตตัวผู้รู้เวลาแยกไก่กับผู้รู้เนี่ยอย่างนี้แยกรูปแยกนามแยกเวทนากับผู้รู้แยกสังขารลบกรดลงกับผู้รู้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแยก ถ้าไม่มีจิตผู้รู้นะแยกกายกับเวทนาเงี้ยไม่ได้เรื่องอะไรปัญญาไม่เกิดหรอกเพราะอะไรจิตมันจะไหลไปอยู่ที่กายกับเวทนาจิตไม่ตั้งมัน่นเพราะจิตไม่มีสมาธินะสมาธิเป็นพาชนะรองรับตัวปัญญาให้เกิดถ้าไม่มีสมาธิปัญญาไม่เกิดมีจิตไหลไปอยู่ที่รูปบ้างไหลไปอยู่ที่เวทนาบ้าง อย่ น, นี้จิตเคลื่อนไปจิตกุ้งสั้นแยกอย่างนั้นแยกไม่รอดหรอกตัวนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญของการปฏิบัติการแยกรูปแยกนามเนี่ยตัวหนึ่งที่จะต้องออกมามีในทุกสถานการณ์คือจิตเพราะจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงหลวงปู่มั่นบอกได้จิตคือได้ทําเสียจิตไปคือเสียธรรมไม่มีทางได้ธรรมะมา งั้นเราจะต้องฝึกไปเรื่อยจนเราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนนะหลวงพ่อเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนะี่ยกี่องค์กี่องค์เข้าไปหาท่านพูดแต่คําว่าจิตผู้รู้นะครูบาอาจารย์ทางวนะัดป่าเนี่ยมีแต่คําว่าจิตผู้รู้บางองค์เรียกว่าจิตเจ้าของจิตเป็นเจ้าของอะไรเจ้าของรูปเจ้าของนามจิตมันเที่ยวแผ่บารมีออกไปทเที่ยวยุดคนโน้นคนนี้ให้ดูตัวจิตนี่แหละ พอเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วบางองค์อธิบายละเอียดนะสอนพุโทโธเนี่ยอย่างหลวงปู่บุญจันทนระ์สอนพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจเห็นไหมพุโทโธแล้รู้ใจตัวเองพุโทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุโทโธแล้วให้รู้ใจตัวเองพุโทโธเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะเป็นอารมณ์มันพุโทโธเพื่อจะมารู้ใจตัวเอง พุโทโธพุธโทโธไปใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจหนีไปก็รู้เนี่ยฝึกไปเพื่อให้ได้ใจมาไปได้ใจมาแล้วคราวนี้ยลงมือปฏิบัตินะจะรู้กายทาเจริญปัญญาด้วยการรู้กายมีใจเป็นผู้รู้จเจริญปัญญาด้วยการรู้เวทนาก็มีใจเป็นผู้รู้มีจิตเป็นผู้รู้นะจเจริญปัญญาด้วยการรู้จิตสังขาโรโลภโกรดหลงอะไรเนี้ย ดีชั่วทั้งหลายก็มีจิตเป็นผู้รู้จะดูอะไรก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้อยู่ถ้าไม่ได้จิตผู้รู้มานะภาะวานาไม่รอดหรอกภาวนาไม่ได้มันจะกลายเป็นเพ่งหมดเลยอย่างเราไปดูท้องพองยุกเนี่ยจิตจะไหลไปรวมที่ท้องมันจะเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เพ่งอะไรเพ่งท้องท้องเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้ทั้งหมดเลยเรียกว่าอารมณ์ อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์รักอารมณ์โกรธนะอารมณ์นี้เป็นสั์เฉพาะมีคาว่าจิตกับคำว่าอารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้นิยามของคำว่าอารมณ์ร่างกายเนี่ยถูกจิตรู้ร่างกายเป็นอารมณ์หนะมาเดินมาเนี่ยรูปภายนอกที่ตามองเห็นนะเห็นรูปเดินมาคือหมามันมา สัญญาไม่ได้มาจริงไม่ต้องหันไปดูตามนิ้วหลวงพ่อนี่ชี้ให้ดูเท่านะั้นเดี๋ยวกำลังสงสัยหมาไหนเรามีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ริมหน้าต่างอย่างงี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ห ม, มาสนใจหมาตัวนี้ก็ใหญ่เลยเห็นไหมสนใจเป็นเปรดในฉับพลานเลจิตโลภอยากรู้คอจะยาวเห็นไหมเวลาโลภเขาก็าถึงว่าภาพเปรดคอยาว ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตมันไหลไปเรารู้ไหลเรารู้ได้ในทในสุดเราู่ได้จิตผู้รู้มาะจิตผู้รู้เนี่ยตรงข้ามกับจิตผู้หลงไปผู้ไหลไปผู้ถ ล, ลําไปเลยจได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยไม่เจตนามันตั้งเองอย่างทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงนะไม่ต้องทําอะไรเลยจิตผู้รู้จะเกิดเองแต่ถ้าจิตหลงไปแล้วเรายังโง่ต่ออีกไว้จิตหลงเนี่ย ต้องเอาคืนเราจะได้มีตัวผู้รู้ไปดึงจิตคืนมานะั้นจะได้ตัวผู้รู้ชนิดแน่นๆตัวผู้รู้ชั้นต่ำคือตัวผู้รู้ที่จงใจทำขึ้นมาเป็นกุศลระดับล่างดีกว่าหลงนิดเดียวเองแต่จิตผู้รู้ที่เกิดเองเรียกว่าอาศังคาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิดมันเกิดเองเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าเป็นผู้รู้ที่เข้มแข็ง แล้วจิตผู้รู้ตัวเนี้ยโปร่งเบานุม่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานคราวนี้ไม่ว่าจะระลึกรู้อะไรลงไปนะก็จะเห็นสิ่งนั้นนะล้วนแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นนะจะเห็นไตรลักษณ์ได้เนะี่ยจิตต้องมีสมาธิจิต ท, ที่มีสมาธิคือจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะสมาธิชนิดนี้นะถึงจะใช้ได้ สมาธิชนิดที่จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวสงบนิ่งอยู่เหมือนน่ะไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิมีหลายชนิดอย่ามักง่ายมว่าต้องมีสมาธิถึงจะเกิดปัญญามีสมาธิบางชนิดเท่านั้นแหละที่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิส่วนมากไม่ทําให้เกิดปัญญาสมาธิมีตั้งแต่มิจฉาสมาธิกสัมมาสมาธิอย่างนั่งสมาธิเพื่อเห็นผีเห็นสางอะไรเงี้ยเป็นมิจฉาสมาธิ สมทธิที่ใจไม่มีสติใจไหลออกข้างนอกนะวิธีเห็นผีเห็นได้ยากอะไรเลยนะทาถ้าเรามีกำลังพอนะทำใจให้ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีมานสิการแผ่ความรู้สึกออกไปดูซิตรงนี้มีผีไหมตัวเนี้ยแค่นี้ก็เห็นแล้วนะไปลองทำดูนะเราะว่าผีมีอยู่รอบตัวเธอไม่มีทางหนีหรอกนะ มีทางหนีในบ้านเราอะไรย่างนี้ก็มีผ่านไปผ่านมานะสัตว์โลกเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่ไม่มีการตายเกิดขึ้นมีไหม <c oughs> ไม่เห็นมีเลยไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีการตายบนบกในน้ําก็มีในอากาศก็มีมีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่ต้องไปกลัวมันเสียเวลา พอพูดเรื่องผีเราสึกไหมจิตตื่นตัวพูดธรรมะจิตสงบสันตินะ <c oughs> วันนี้อากาศมันเป็นพิษอากาศมันเย็นมันทำให้เราเสื่องซึมพร้อมจะหลับหลวงพ่อเลยต้องเล่านิทานประกอบนะมีนิทานประกอบเพื่อปลุกให้เราตื่นไปทํากรรมฐานสัอย่างหนึ่งนะ พุทโธก็ง่ายๆดีไม่มีอะไรพลิกแปลงแล้วค่อยรู้เวลามันหลงไปทันทีที่รู้ว่ามันหลงจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะจิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้หลงถ้ามันไม่หลงสักอย่างเดียวมันก็เป็นจิตผู้รู้มันก็แค่นี้เองนะง่ายๆอย่างนี้เราจะได้สมาธิที่ใจเป็นคนดูขึ้นมานะสมาธิมันหลากหลายนะนมิจฉาสมาธินี่เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติ จิตห ล, ลงไปนว่นหลงไปนี่หรือเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวถูกโมหะครอบหัวมันไม่เห็นเราไม่มีสติอกุศลมันก็เข้าหมางง่ายนั้นตรงนั้นเป็นมิจฉาสมาธิเกือบร้อยละร้อยของคนทำสมาธินะ่ะทำมิจฉาสมาธิทำแล้วก็น้อมใจให้สงบนะแต่งแต่งบางคนแต่งจนเครียดเลนะเครียด อนนี้มิฉาทันั้นส ม, มสมาธิยังมีอีกสองอย่างอันหนึงจิตสงบอยนะู่ในอารมณ์เดียวอย่างเช่นเราพุทโธพุทโธจิตสงบอยู่กับพุทโธเราหายใจจิตสงบอยู่กับหายใจมีสติอยู่มีสติพุทโธนะมีสติหายใจไม่ขาดสติถ้าขาดสติจะตกไปเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยมีสติอยู่แต่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในอารมณ์เดียว อันนี้เอาไว้พักผ่อนอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารามณูปนิชฌานอารามณะก็คือตัวคำว่าอารมณ์นั่นเองอารามณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเพ่งตัวอารมณ์นั้นไว้อีกตัวที่จิตเป็นผู้รู้นี่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตที่จะเห็นลักษณะเห็นไตรลักษณ์ได้ ไม่เหมือนกันนะจิตอารมณูกรักขณูนอีอารมณูนีนจิตจะไปนิ่งอยู่ในอารมณ์มเดียวอารมณ์เป็นใหญ่นะจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไปอยู่ด้วยกัน น, นิ่งอยู่ด้วยกันถ้ารักขณูปนิชานี้จิตเป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงทั้งหกช่องทั้งรูรปเสียงกลิ่นรสโปรพัทธาธรมารมณ์ ถ้าสมมติบัญญัติอะไรเนี่ยหลายๆผ่านมาผ่านไปให้เราดูอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยจิตเป็นหนึ่งเป็นคนดูคำว่าจิตเป็นหนึ่งคือจิตเป็นคนดูทาหน้าที่อันเดียวคือทำหน้าที่เห็นอันนี้จิตเราทรงพลังสูงสุดแล้วพร้อมที่จะเดินปัญญาแล้วเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลมาแล้วก็ไหลไปมาเองไปเองมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจเป็นคนดูอยู่ ก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปอันนี้เห็นอ น, นิจจังนะถ้าเห็นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏนี่กำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปให้หายไปอันนี้เรียกว่าทุกขังอันนิจจังเนี่ยคือของที่เคยมีแล้วมันไม่มีมันหมดไปสิ้นไปทุกขังก็คือของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปสิ้นไป อนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะหมดไปสิ้นไปเนี่ยเพราะเหตุไม่ใช่พรหลเสั่งมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นั่นคืออนัตต า, ตาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวเนี้ยถึงจะเห็นรูปธปรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายแสดงไตร ล, ลักษณ์ได้ไม่ใช่การคิดถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ระดับนี้เนี่ยเราจะไปคิดเอา ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจิตกําลังคิดอยู่ไม่ใช่วิปัสสนาตัวจริงนั่นจําเป็นนะที่จะต้องฝึกให้เรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานโดยแม้เจตนาวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธนีง่ายที่สุดแล้วแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นมันไม่คิดพุดโทโธแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันตรงที่รู้ทันว่าจิตหลงไปนะั่นแหะ ตัวผู้รู้จะเกิดแต่มันเกิดสั้นๆแวบเดียวหลงใหม่รู้ใหม่หลงใหม่รู้ใหม่นี่บางคนวันหนึ่งหลงครั้งเดียวไม่เคยมีรู้เลยบางคนหลงเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้ว่าหลงเนี่ยมีตัวรู้สั้นๆนิดเดียวเกิดขึ้นเยังจําหน้าตาตัวรู้ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆนะสุดท้ายจะจําหน้าตาตัวรู้ได้จิตผู้รู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมาเหมือนอยู่กับเราทั้งวันเลยนะจะแพ้จิตที่ เป็นตัวรู้จากการทำฌานจะแพ้กันอยู่นิดเดียวเท่านั้นแหละคือจิตที่เป็นตัวรู้จากการทำฌานนียมันจะแข็งแรงมันอยู่ได้แต่ไม่เกินเจ็ดวันแต่จิตผู้รู้ที่ทำด้วยวิธีนี้อยู่ได้ไม่นานนักมีผู้รู้อยู่ช่วงสั้นๆเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงกำลังมันอ่อนกว่ากันแต่ว่าหน้าตามันเหมือนกันทำงานได้อย่างเดียวกัน แต่ว่าทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเท่าจิตผู้รู้ที่เกิดจากการทำฌานพวกเราถ้าใครสนใจจะทำฌานก็จะสอนให้นะแ่ว่าจนกระทั่งได้ตัวผู้รู้แต่สงสัยว่าแค่อุปจาระก็ไม่ผ่านแล้วละ่ะไอ้ที่บอกว่านั่งแล้วเคลิ้มอย่างนี้เราบอกว่าได้อุปจาระไม่จริงหรอกอุปจาระไม่ได้กระจอกอย่างนั้นอย่างถ้าเราใช้ลมนะตรงที่เราได้อุปจาระเนี่ย เราได้ปฏิภาคนิมิตนะถึงจะเป็นอุปจาระแสงที่กําหนดเกิดขึ้นเนี่เราย่อดได้ข ย, อยายได้กําหนดได้เล่นได้ตามใจเลยอั น, นั้นแหะแค่อุปจาระถ้ายังสว่างขึ้นมาเฉยๆแล้วอกอุปจาระยังไม่ถึง น, นั้นเรียกว่าอุคหานิมิตนิมิตมีสามระดับนะสําหรับการทำฌานด้วยอนาปนานสติอันหนึ่งเรียกว่าบริกรรมนิมิตคือตัวลมหายใจ พอจิตสงบขึ้นลมระงับกลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยพะแสงสว่างเกิดนะตัวเนี้ยไม่ใช่บริกรรมนิมิตลนะแสงสว่างนี้เรียกว่าอุคหานิมิตนะแล้วเราชํานาญเนี่ยเราเล่นกับแสงได้ให้สว่างให้แคบให้ได้ไงเงี้ยได้เรียกปฏิภาคนิมิตนะตรงที่เป็นปฏิภาคเนี่ยจิตได้อุปจารสมาธิยากไหมนั่งให้เป็นแสงก็ยากแล้วใช่ไหม ดงนั้นหลวงพ่อถึงสอนว่าพุโทโธแล้วรู้ว่าจิตหลงเราจะได้ตัวรู้สําหรับคนซึ่งทําฌานไม่ได้พอได้ตัวรู้มาแล้วก็ดูรูปมันก็จะเห็นรูปแสดงไตรลักษณ์ดูเวทนาก็เห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์ดูสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็จะเห็นดีชั่วเป็นไตรลักษณ์ ถ้าไปค่อยดูจิตอีกทีตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนี่ก็แสดงใจลักเนี่ยสุดท้ายไม่มีอะไรเลยที่ไม่แสดงใจลักในรูปธปรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายตกอยู่ใต้ใจลักทั้งหมดเห็นได้ทั้งหมดนะได้โสดาจะยอมรับความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้าแต่ขันห้าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเป็นพระโสดาบันไปกินข้าวไป ถ้าใครคิดว่าไปกินข้าวคือการเลิกปฏิบัติแล้วก็ชิดผิดนะกินข้าวก็ต้องปฏิบตัติดูใจของเราไปดูร่างกายก็ได้ดูใจก็ได้เห็นร่างกายมันเคี้ยวอะไรองี้นิมนต์นะครับ